วินัยนักธรรมชั้นเอกมวนที่สองโดยพระอาจารย์บุญมีจันทูปปะโมสวัสดีครับเพื่อนสาธมิกทุกรูปที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นเอกเออวันนี้เราก็มาศึกษาในการที่ยี่สิบสี่กันที่ยี่สิบสี่นั้นก็ว่าด้วยสีมาสีมาปแปลว่าเขตด้วยแดน หมายถึงเขตชุมลุมสง์ในการทำสังฆกรรมที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงสีมาเป็นหลักสำคัญแห่งสังฆกรรมอย่างหนึ่งถึงอย่างอื่นบริบูรณ์แต่ถ้าวิบัติโดยสีมาแล้วก็ใช้ไม่ได้ที่ทรงบัญญัติอย่างกวดขันอย่างนี้ก็เพื่อจะให้รักษาสามัคคีในหมู่สงอันความสามัคคีนั้นย่อมเป็นกาลังใหญ่ของหมู่คณะ ขาดความสามัคคีแล้วก็ย่อมอยู่ไม่ท้าวรเหมือนกันงนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษามาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีชั้นโทแล้วก็จะทราบดีว่าความสามัคคีนั้นเป็นคุณธรรมของมู่ชนที่อยู่ร่วมกันนั้นอย่างไรมีพุทธภาสิตอยู่หลายข้อเช่นสุขาสังคสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงนำมาซึ่งความสุข ถ้าหมู่ใดมีความพร้อมเพรียงกันในหมู่นั้นก็จเจริญเพื่เพินผลให้เกิดสุขสมหมายคลายกังวลเพราะทุกคนสามัคคีดีต่อกันหรือความพร้อมเพรียงเคียงบา่าเคียงไหลงานอะไรมีนัดไม่ขัดขืนทําทุกคนชนทุกหมู่สู้อย่างยืนจำเรินรื่งย่อมสําเร็จเพราะเหตเพียนอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับความสามัคคีทั้งสิน้นฉะนั้นเขตแห่งการชุมนุมในการทําสังกัดกรรมเรื่อ ง, องวัดศีมานั้นก็มีความสําคัญ สีมากล่าวโดยประเภทใหญ่ๆแล้วมีอยู่สองคือหนึ่งพัตตสีมาแปลว่าแดนที่ผูกได้แก่เขตที่สงกาหนดเอาเองตามพระวินยัยสองอภัตตสีมาแปลว่าแดนที่ไม่ได้ผูกได้แก่เขตที่เขากำหนดโดยปกติของบ้านเมืองหรือมีบัญญัติอย่างอื่นเป็นเครื่องกำหนดแต่ทั้งสองประเภทใหญ่ๆ เกี่ยวกับสีมานี้ก็จะต้องเข้าให้ขึ้นใจเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นข้อเป็นหลักสําคัญเกี่ยวกับสีมาแในประเภทแห่งพัตสีมาประเภทแห่งพัตสีมานั้นอย่างไรท่านบอกว่าพัตสีมานั้นทรงอนุญาตให้สงกําหนดเขตเอาเองตามความพอใจได้แต่ว่ามีจํากัดที่สุดข้างเล็กข้างใหญ่เอาไว้สองขนาดด้วยกัน คือหนึ่งสีมาอย่างเล็กเนี่ยพอบรรจุภิกษุยี่สิบเอกรูปได้นั่งในหัตถบาตเนี่ยห้ามไม่ให้สมมุติเล็กกว่านั้นอันเหตุที่ห้ามไม่ให้เล็กเกินไปจนจุภิกษุยี่สิบเอรูปไม่ได้นั้นก็เพราะว่าสังฆ ก, กรรมบางอย่างที่ต้องการสงมีจํานวนมากถึงยี่สิบเอรูปเ <c oughs> ช่นอภานกรรมออภาณกรรมก็สงสวดเงับ อาบัตสังกาติเศษของภิกษุผู้ประพฤติอุทานวิธีครบตามกำหนดแล้วคือนับทั้งภิกษุผู้ถูกทำกรรมนั้นด้วยเป็นยี่สิเ็ดรูปนั้นถ้าสีมาเล็กไปก็จะไม่อาจทำอภรณกรรมได้เนี่ยถ้าเล็กเกินไปก็เป็นสีมาวิบัติใช้ไม่ได้สองสีมาอย่างใหญ่ไม่เกินสามโยชนเหตุที่โสงห้ามมิให้สมมุติสีมาใหญ่เกินไป คือเกินสามโยชนั้นก็เพราะเหลือที่จะระวังในการทำสังฆกรรมถ้าสมมุติใหญ่เกินกว่าสามโยน์ไปก็เป็นสีหมาวิบัติใช้ไม่ได้นี่นั้นที่เล็กเกินไปก็เพราะเหตุที่ไม่สามารถทำสังฆกรรมใหญ่ๆเช่นอภานกรรมนั่นท่านยังบอกว่าเล็กเกินกว่าบรรจุภิกษุยีเสิบรูปไม่ได้นี้ก็เป็นวิบัติหรือใหญ่เกินกว่าสามโยต ก็เป็นวิบัติเหลือที่จะระวังในขณะทําสังฆกรรมในจะเกิดพิสุอื่นเดินเข้ามาในเขตก็เป็นเหตุให้เกิดการวิบัติแห่งการสังฆกรรมฉะนั้นก็ใหญ่เกินไปก็เหลือที่จะธรรมะระวังแต่ก็คงไม่มีใครที่ไหนในปัจจุบันที่จะสมมติซีมาใหญ่เกินกว่าสามโยศเพราะว่าที่ในปัจจุบันก็จํากัดมากขึ้นนะส่วนเล็กเกินไปนั้นก็ก็คงจะ ไม่มีแต่ถ้าหากว่าใครไปสมมติเล็กจนบรรจุวิสูรยี่สบเอ็ดรูปไม่ได้นั้นก็ถือว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องสีมาวิบัติไปใช้ไม่ได้แล่วทีนี้เราก็มาศึกษารเรื่องพัตตสีมาพัตตสีมาที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดนั้นมีเท่าไหร่ภัตตสีมาที่ปรากฏในวิริมุกทั้งหมดนะวิริมุกเน่มสามนั้นมีอยู่สี่สี่ประเภทเด็กกันคือหนึ่งขันธ์สีมา ได้แก่สีมาที่ปลูกเฉพาะบริเวณโรงโบสถ์สองมหาสีมาได้แก่สีมาที่ปลูกทั่ววัดคือครอบวัดเลยสามสีมาสองชั้นได้แก่สีมาที่มีขันตสีมาอยู่ในมหาสีมาสี่นาทีปลาสีมาได้แก่สีมาฝั่งน้ําคือสีมาที่สมมุติคร่อมฝั่งน้ําทั้งสองเปิดแม่น้ำไว้กลาง นอในสีมาทั้งสี่นี้เราก็จะต้องท่องจําเหมือนกันคือท่องจําให้ขึ้นใจท่องแบบง่ายๆคันตะสีมามหาสีมาสีมาสองชั้นนาทีประสีมาคันตะสีมามหาสีมาสีมาสองชั้นนาทีประสีมาคันตะสีมามหาสีมาสีมาสองชั้นนาทีประสีมาเมื่อเราท่องคาสั้นๆจย่ออย่างนี้แล้วก็ ดูความหมายจนว่าขันทศีมาได้แก่ศีมาที่ผูกเฉพาะบริเวณโรงโบสดส่วนใหญ่ในปัจจุบันเราก็ทําเป็นขันทศีมาผูกเฉพาะโรงโบสถเท่านั้นเองนี่คือขันทศีมาที่มีอยู่ในปัจจุบันทั่วไปส่วนมหาศีมาประเทศที่สองนั้นก็เป็นศีมาใหญ่ที่ผูกรอบครอบวัดเลยฉันจะสมมติเอาทั้งวัดเนี่ยเป็นเป็นศีมานั่นเรียกว่ามหาศีมา มหาสีมานี่แหละที่กล่าวว่าไม่ให้ใหญ่เกินสามยอดนะจะผูกรอบวัดหรือจะผูกให้ใหญ่กว่านั้นก็ได้แต่ยังให้เกินสามยอดนั่นก็เป็นมหาสีมาแต่ก็ปัจจุบันก็คงจะอ่าไม่มีที่สมมุติเพราะว่าที่จํากัดดังที่ได้กล่าวแล้วนะประการที่สามก็คือสีมาสองชั้นได้แก่สีมาที่มีขันักสีมาอยู่ในมหาสีมาก็หมายความว่าอ่า เมื่อสมมติสีมาใหญ่มันลำบากในการทำสังคกรรมไม่สะดวกบางประการเกี่ยวกับการที่จะต้องให้ภิกษุทั้งหมดนั้นมาประชุมในที่เดียวกันในการทำสังคกรรมนั้นก็ให้สมมติเป็นสีมาสองชั้นมีสีมันตริกอยู่รอบข้างนะสีมันตริกอยู่รอบข้างในขณะทำสังคกรรมก็ทาอยู่ในคันทสีมาซึ่งอยู่ในในกลางหมหาสีมาและมันมีสีมันตริกรอบคล้ายๆกับเป็นคองรอบอย่างนี้ พิกษุที่อยู่ในมหาสีมาจะไม่เข้ามาร่วมในขันตสีมาก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดสีมาวิบัติไม่ไม่เป็นเหตุให้เกิดบริษัาวิบัตนะิเพราะว่ามาีสีมันตริกรอบอยู่แล้วสะดวกในการทำสังคกรรมแต่จะมีอยู่บ้างหรือเปล่าในปัจจุบันนะวัดใดวัดหนึ่งนั้นอันนี้ก็อาจจะมีแต่ก็ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในชนบทแล้วก็ไม่มีมีแต่ขันตสีมาอย่างเดียวไม่มีมหาสีมา นั่นก็เพิ่งทราบว่ามหาสีมาสองชั้นนั้นเป็นสีมหาสีมาซึ่งมีขันธศสีมาอยู่ในมหาสีมาอีกด้วยนี่สี่นาทีพระศีมาก็สีมาฝั่งน้ําได้แก่สีมาที่สมมุติคล่องคล่อมฝั่งแม่น้ําทั้งสองแล้วก็เปิดแม่น้ําไว้กลางอประการที่สี่นี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วในปัจจุบันนี้เพราะว่าค่อนข้างจะทําลําบาก อันนี้ขันทศีมาทั้งสีนี้ในบัดนี้ก็คงมีเฉพาะแต่สามประเภทนะสามประเภทนะก็สามประเภทก็หมายถึงขันทศีมามหาศีมาและก็ศีมาสองชั้นนะพอมีอยู่บ้างนะในบางอย่างแต่ขันสศีมานมีมากทีเดียวอส่วนประเภทที่สี่คือนาทีปราศีมานั้นก็ปัจจุบันก็ได้กล่าวแล้วไม่ได้ผูกแล้วนะทีนี้ก็มาว่าถึงนิมิตแห่งศีมาขันทศีมาจะต้องมีนิมิต นิมิตแห่งสีมาท่านกำหนดเขตสีมาการกำหนดเขตสีมาทรงอนุญาตให้หมายเขตเอาด้วยวัตถุบางอย่างวัตถุบางอย่างที่กำหนดโดยเรียกว่านิมิตและว่าเครื่องหมายวัตถุที่ควรใช้เป็นนิมิตแห่งสีมานั้นท่านระบุไว้ในบาลีแปดชนิดด้วยกันคือหนึ่งปร ะ, ะโตภูเขาสองศิลาศิลาสามอนังป่าไมา้ 4. ีลูกโขต้นไม้ห้ามะโคหนทาง 6. กวัมมิโกจมปลวเกเ็ดนาทีแม่น้ำแปดอุตตกังน้ำในนิทเนซีมาตั้งแต่ชนิดนี้จะต้องท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันนะท่องให้แม่นยำเลยทีเดียว เนี่ยปปปโตภูเขาศิลาสีลาวาา่านางป่าไม้รูโกต้นไม้มาโกหนังว่ามีโกจอมปลวกนที่แม่น้ำอุตรกังน้ำปปปโตภูเขาศิลาสีลาว่านางป่าไม้รูโกต้นไม้มาโกหนทางว่ามีโกจอมปลวกนาที่แม่น้ำอุตรกังน้ำเ่ยว่าให้คล่องให้ขึ้นใจเลยทีนี้เอ่อปปปโตภูเขาข้อที่หนึ่งเนี่ยภูเขาที่จะใช้เป็นนิมิตได้นั้นน่ะอย่างไร เราก็ต้องศึกษาต่อไปท่านกล่าวว่าอาที่ภูเขาที่จะใช้เป็นิมิตได้นั้นมีสามชนิดคือหนึ่งภูเขาดินล้วนสองภูเขาสิสลาล้วนสามภูเขาสิลาปนดินก็หมายความาาว่าภูเขาดินล้วนนี่ก็ใช้เป็นิมิตเป็นเครื่องหมายของสีหมาได้หรือภูเขาที่สิลาล้วนก็คือหินล้วนเลยก็ใช้เป็นนิมิตแห่งสีหมาได้ หรือมีศิลาปนดินก็หมายถึงว่ามีหินปนดินก็ใช้เป็นนิมิตแห่งสีมาสีมาได้นะส่วนเ อ, อนิมิตประเภทที่สองคือศิลาหรือหินเนี่ยที่จะใช้ได้นั้นอย่างไรอันนี้ทั้งกล่าวว่าที่จะใช้ได้นั้นก็คือ 1, หนึ่งศิลาแท้หรือศิลาเจือแร่ศิลาแท้ก็คือหินล้วนๆหรือว่าหินที่เจือแร่ก็ทําเป็นเป็นลูกนิมิตได้ สองอมีสันฐานไม่ถึงช้างเท่าสีสะโคกหรือกระบือเรื่องเขื่องสามเป็นศิลาแท่งเดียวสี่ยางเล็กเท่าก้อนน้ำอ้อยหนักสามสสองปะละคือหนักประมาณห้าชั่งก็ใช้ได้หมายความว่าหินที่จะเอามาทำเป็นเป็นลูกลิมิตเนี่ยเป็นลิมิตนั้นหินแท้หรือเจือแร่ก็ได้ เรื่องข้องใหญ่นั้นอยากไม่ให้ใหญ่ถึงเท่าช้างเท่าศีรษะโคหรือว่ากระบือหมายต้นควายนั่นเองก็ได้นะแล้วต้องเป็นแท่งเดียวด้วยถ้าสองแท่งนี่ยนะไม่ถูกต้องแท่งเดียวด้วยอย่างเล็กเนี่ยอย่าให้เล็กเกินไปย่างเล็กเนี่ยต้องหนักส2มสิบสองปันละเขาบอกเท่าก้อนน้ำอ้อยกรก้อนนย่ารู้สึกค่อนข้างจะน้อยเกินไป ประมาณห้าช่างนี่ยท่านบอกว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันเราทําใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงช้างใหญ่พอสมควรถ้าถึงช้างนั้นต้องบอกว่าเป็นลักษณะแห่งภูเขาไม่ใช่เป็นสีลาแล้วเป็นภูเขาไปแล้วนั้นที่จะทําเป็นลิมิตนั้นก็พอสมควรไม่ใหญ่ อ, อไม่โตถึงช้างหลักอาจจะเท่าศิษยาโคที่ศิษย า, ากระบือหรือเกินกว่านั้นนิดหน่อยก็ใช้ได้ต้องเป็นแท่งเดียวด้วย นี่คือคือศิลาที่เรามาทำเป็นมิตทั่วไปแล้วก็ทำเป็นกลมๆในพระวินัยก็ไม่จาเป็นจะต้องกลมก็ได้แต่เป็นเครื่องหมายให้รู้เท่านั้นเองว่าเขตของซีมาเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งศิลาท่านกล่าวว่าสามชนิดอีกก็ใช้ได้คือศิลาดาศิลาเทือกศิลาดวดหินอื่นนอกจากหินแท้เจือแร่แล้วยังมีหินอื่นที่ใช้ได้ก็เช่นว่า เกี่ยวกับอศิลาดาดศิลาเทือกศิลาดวดนี่ก็เอามาทําเป็นลูกนิมิตได้เหมือนกันนี่รูปโขดต้นไม้เอวนันังป่าไม้เนี่ยป่าไม้เนี่ยเราจะเอาอย่างไรมาเป็นนิมิตป่าไม้นั้นบอกว่าท่านบอกว่าใ ห, ให้ใช้เป็นนิมิตได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้คือหนึ่งหมู่ไม้มีแก่นหรือหมู่ไม้ชนิดเดียวกับไม้ที่มีแก่นซอนขึ้นเป็นหมู่ นะขึ้นเป็นหมูอย่างต่ำเพียงสี่ห้าต้นนั้นจะเอาต้นไม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นลิมิตเครื่องหมายจะต้องเป็นชนิดไม้ที่มีเกณฑ์นะขึ้นเป็นหมูตั้งแต่สี่ห้าต้นขึ้นไปก็ทำเป็นลิมิตได้แต่ก็ไม่ค่อยนิยมในปัจจุบันนั้นไม่มีเอาต้นไม้เป็นลิมิตแต่ว่าได้กล่าวไว้ในบาลีอย่างนี้เราก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจเหมือนกัน เอีทีนี้นิมิตรประการที่ที่ที่สี่เนี่ยประการที่สี่คือรุกโขรุกโขนั้นได้แก่ต้นไม้ต้นไม้ที่จะใช้ได้นั้นนะ่ะท่านให้ใช้ต้นไม้ที่มีแก่นหรือต้นไม้เนื้อแน่นยังเป็นอยู่ด้วยเนะียังเป็นอยู่คือเป็นต้นไม้เกิดเอณนะพื้นดินหรือเอาลงดินแล้วโดยที่สุดก็ สูงเพียง8นิ้วลำต้นเท่าเข็มก็ควรเหมือนกันอันนี้ในอัตถกถาท่านกล่าวไว้นนต้นไม้ที่จะเอามาที่จะทำเป็นลิมิตนั้นจะต้องเป็นไม้มีแก่นเหมือนกันกันกบป่านะนนี้หมายทังต้นเดียวนะและก็เป็นเนื่อแน่นด้วยจะเอาเป็นเนื้อข้างในซุยเช่นว่าต้นมะพร้าวอย่างนี้ไม่ได้นะี่และก็ต้องเป็นต้นไม้ที่เกิดอยู่กับที่หรือ เราลงปลูกแล้วอยู่กับที่แล้วท่านบอกว่าสูงเพียงแปดนิ้วก็ใช้ได้ลําต้นเท่าอ้นเข็มนะ า, าเท่าเข็มก็ใช้ได้ค่อนข้างจะเล็กเกินไปอันนี้มหาสมสเจ้าท่านบอกว่าอารู้สึกว่าค่อนข้างจะดูแล้วก็ขำ่ำเพราะว่าเล็กเกินไปไม่น่าจะมาเป็นเครื่องหมายแห่งสีมาได้แต่ว่าทัศนคติทั้งกล่าวไว้อย่างนั้นนั้นเราก็ต้องศึกษาตามในอัศาานคติด้วย อันนี้ไม่เด่นที่มาประการที่ห้าก็คือมารโครมาคร์คอนี่ก็ปแปลว่าหนทางอหนทางที่จะใช้เป็นลิมิตได้นั้น่ะท่านให้ใช้หนทางหรือทางเกวียนที่ยังใช้อยู่นั้นใช้ได้ทั้งนั้นหมายถึงว่าทางที่ยังใช้อยู่อ่ไม่ใช่ทางที่เขาเลิกใช้ไปแล้วยังใช้อยู่มีเกวียนไปมาอยู่อมีอรถเดี๋ยวนี้มีรถแล้วปัจจุ บ, จจบันยังมีรถไปมาได้ฉะนั้นจะต้องทางที่ใช้อยู่ก็ทําเป็นลิมิตเครื่องหมายแห่ง แห่งสีหมาได้อนิมิตแห่งสีหมาประการที่หกก็คือวอมิโกะวอมิโกก็คือจอมปลวกอจอมปลวกนั้นที่จะใช้ได้นั้นท่านกล่าวว่าอย่างเล็กแม้ตั้งขึ้นในวันนั้นสูงเพียงแปดนิ้วสันฐานเท่าเขาโคก็ใช้ได้อรู้สึกว่าค่อนข้างจะเล็กค่อนข้างจะน้อยเหมือนกันอที่จอมปลวกเอามาเป็นนิมิตแห่งสีหมาได้ กิขึ้นในวันนั้นสูงเพียงแปดนิ้วแปดนิ้วก็นิดเดียวอาจจะมองไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นนะคันธานเท่าเขาโคเขาโค ก, ก็ก็คือเขาวัวนี่แหละนะก็ค่อนข้างจะเล็กอีกเหมือนกันอันนี้ก็หมายถึงว่าในอัตถกถ า, าท่านอ่ากล่าวไว้อย่างนี้ก็ศึกษาให้เข้าใจแต่ว่าเราทําจริงๆจะใหญ่กว่านั้นก็ไม่ห้ามอา่แต่ว่าอย่างเล็กเนี่ยอย่าให้เล็กกว่าเขาโคยืดรูปอยากให้ต่ากว่าแปดนิ้ว น, น, นี่คือว่าไม่โกโจปลวมนิยมดเด็กซีมาประการที่เจ็ดก็คือแม่น้ำแม่น้ำที่จะใช้ได้นั้นท่านหมายเอาแม่น้ำที่ไหลยอยู่ไม่ใช่แม่น้ำตันแม่น้ำที่ทจะทาเป็นลิมิตเป็นเครื่องหมายแห่งซีมาก็เป็นแม่น้ำที่ไหลยอยู่ไม่ใช่ตันนะอาแปด นนีม้มแห่งสีมาประการที่แปดก็คือน้ําที่จะใช้ได้แก่น้ํำนะน้ําที่จะใช้ได้นั้นท่านหมายเอาน้ํานิ่งไม่ได้ไหลอถ้าเป็นไหลก็เป็นแม่น้ําถ้าน้ํานิ่งเนี่ยเป็นเป็นน้ำเฉยๆอุตกังแตะว่าน้ําหมายเอาน้ําที่นิ่งไม่ไหลน้ํำในหนองในบึงในสะในบอ่อก็ใช้ได้เหมือนกันในการทํานิมิตถ่งเครื่องหมายแห่งสีมาอันที่กล่าวนี้อย่าเข้าใจเป็นสีมาแต่เป็นมิมิตึแห่งสีมาคือเป็นเครื่องหมายเท่านั้นเองเนีย ที น, นี้การผูกพัตสีมาจะทําอย่างไรหัวข้ อ, อาการผูกพัตสีมาในปัจจุบันคือที่เราทํากันอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านทําเป็นขั้นตอนนะเป็นขั้นตอนคือหนึ่งเรื่องต้นพื้นที่ต้องขออพระราชทานวิสุงขามสีมาให้ได้เสีก่อ น, เ, นเมื่อได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาแล้วต้องการเป็นพัตสีมาเท่าใดพึง เตรียมศิลาคือหินเนี่ยเป็นโูกนิมิตวางไว้แปดทิศแล้วก็จัดให้คนคอยดูห้ามวิกสุอย่าให้ผ่านเข้ามาในเวลานั้นตรวจดูหลุมนิมิตให้เรียบร้อยเน่ว่าโดยรอบนี่ให้เรียบร้อยอย่าให้ลึกมากเกินไปกะว่าเวลาทักนิมิตเนีอาจแลเห็นลูกนิมิตได้เนี่ยนิมิตหมายถึงได้รับราฐทานสูงขามาสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เตรียมสิ่งของจําเป็นที่เราจะต้อง จะทำซีมาที่เราได้รับอาจารยสูงคามซีมานั้นกำหนดมากใหญ่น้อยแค่ไหนที่กำหนดไว้ในทางการอย่างใหญ่ก็คือแปดสิบเม็อสี่กว้างสี่สิบยาวแปดสิบอย่างเนี้ยแต่เราจะสมมุติจริงๆนั้นเท่าไหร่ถ้าใหญ่เท่านั้นก็จะลําบากในการที่จะต้องก่อสร้างโบสถ์นั้นเราก็จะกำหนดเอาสักเท่าไหร่ก็เตรียมรูปนิมิต เนกที่เราทำปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็กเป็นหินทั้งนั้นเลยเรื่องอื่นๆในแปดอย่างนั้นเจ็ดอย่างมันก็ตัดออกไปใช้หินอย่างเดียวที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันนั้นนี่นี่คือเบื้องต้นนี้ต่อไปก็ประการที่สองลำดับต่อไปก็คือการสวดถอนการสวดถอนก็พึงประชุมภิกษุที่อยู่ในเขตนั้นทั้งหมดและก็นำฉันทะของภิกษุนั้นมาตามระเบียบของสังฆกรรมนั้นด้วย ประชุมสวดถอนเป็นแห่งๆไปจนกว่าจะเห็นว่าพอดีกับสถานที่ก็พิ่สวดถอนติยิราภิปวาก่อนแล้วจึงสวดถอนสมานสังวาสสีมาการสวดถอนนี้จะทำล่วงหน้าเกาะไว้ก่อนก็ได้หรือจะทำในวันนั้นเลยก็ได้เมื่อสวดถอนเสร็จแล้วก็ออกไปถักนิมิตสีรูปก็พอนอกนั้นอยู่ในโรงโบสหรือจะออกไปทั้งหมดก็ได้แล้วแต่ความสะดวก การสวดถอนเ อ, อก็เพื่อจะ อ, อไม่ให้เกิดสีมาสังกระนะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมีสีมาพัทธสีมาเก่าอยู่หรือไม่อย่างไรถ้าเกิดมีอยู่เ อ, อก่อนในที่นั้นเนี่ยไม่ได้สวดถอนไปสมมุติทับสีมาเก่าท่านบอกว่าเป็นสีมาสังกระเป็นเหตุให้วิบัติใช้ไม่ได้นั้นท่านจึงอัตถกาถาท่านจึงให้สวดถอนสัก่อน ในการสวดถอนก็ในเขตที่เราจะสวดถอนนั้นมีภิกษุทั้งหมดก็ประชุมกันในที่เดียวกันหรือว่าถ้าไม่มาโดยเหตุใดเหตุนหนึ่งก็ให้ น, นําฉันทะของถือมาตามระเบียบแล้วก็สวดประชุมสวดถอนเป็นแห่งๆไปจนกว่าจะเ อ, อครบตามกําหนดที่สถานที่ที่เราจะอสมมุติเป็นพัสสีมานั้นนในการสวดถอนที่สําคัญที่สุดก็คือกาถอนจะต้องถอนอะไรก่อนแล้วก็ถอนอะไรที่หลัง นี่ข้อนี้ตรงนี้สําคัญมากแะนั้นเบื้องหลังแหลายจําตรงนี้ให้แม่นทีเดียวคือสวดถอนติกิรามิพิบอวาสก่อนแล้วก็สวดถอนสมานสังวาสสีมาติกิรามิพิบอวาสคืออะไรติกิรามิพิวาสคือสถานที่ไม่อยู่ปราศจากปลายกีวร์นะอท่านสมมติสีมาเนี่ยถ้าสมมติสีมาใหญ่อย่างเงี้ยนใหญ่ประมาณสามยอดนะถ้าสมมติติจุฬามิพวาสทับลงไป จีวรจะไว้ตรงไหนก็นแล้วแต่ในในสามโยชนั้นน่ะไม่ถือว่าเป็นการอยู่ปราจากปลายจีวรและไม่เป็นอาวบในิสกีด้วยนั้นเทกว่าติจีราภิพรว่าสถานที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าอยู่ปราจากปลายจีวรเนะและก็เมื่อสวดถอนติจีราภิพรว่าแล้วก็สวดถอนสมานสังวาสสีมาคือเขตอที่อพิสูจน์มีสังวาิเสมอกันนั้นทำสังฆกรรมก็สวดถอนออกมา สวดถอนทั้งสองอย่างเสร็จเรียบร้อยจะทำในวันนั้นหรือจะทำก่อนวันนั้นก็นแล้วแต่ก็เมื่อสวดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะสมมติก็ต้องออกไปทักนิมิตกันหลังประการที่สามก็คือการทักนนมิตรูปที่จะทักนิมิตนั้นก็นะออกไปยืน อ, อยู่ตามมิตนะก็ยืนอยู่ภายในนิมิต ไม่ใชยืนอยู่ข้างนอกยืนอยู่ภายในนิมิตจะทักนิมิตในทิศใดต้องยืนหันหน้าไปทางทิศนั้นพึงทักนิมิตเริ่มต้นตั้งแต่ทิศบูรพาก็คือทิศตะวันออกเป็นต้นไปเวียนขวาไปจนถึงทิศอีสานทิศอีสานก็คือตะวันออกเขียงเหนือแล้วก็ทักซ้ำทิศบูรพาอีกทีหนึ่งอสีมาจึงจะเชื่อมกันในเวลาทักนิมิตนั้นต้องมี ผู้ใดผู้หนึ่งคอยตอบอยู่ภายนอกใหร้รู้แน่ว่ามีอะไรเป็นนิมิตตัวอย่างเช่นในเท็จบูรพาทักนิมิตถามว่าพุรัติมายะที่สายากิ่งนิมิตตังผู้ตอบก็เพึงตอบว่าปาสาโนพันเตผู้ทักพึงระบุซ้ําอีกว่าเอโสปาสาโนนิมิตตังอย่างนี้นะจนกว่าจะครบแปดทิศแล้วทักบูรพาทิศซ้ําอีกหนหนึ่ง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วท่านปรับว่าแนวของนิมิตขาดใช้ไม่ได้จากนั้นอ่าทิศที่เราจะต้องทักซ้ําอีกก็คือทิปเบื้องต้นเราทักครั้งหนึ่งแล้วมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งจะได้แนวจะบรรจบกันพอดีจะไม่มีนิมิตขาดนี่ประการที่สี่เมื่อเราทักนิมิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวดกรรมาวาจาสวดกรรมาวาจาเมื่อเราทักนิมิตครบ ทั้งหมดแล้วก็เข้าไปในโรกโโบสดทั้งหมดเลยพิสูรรูปหนึ่งผู้ฉลาดแล้วก็สามารถสวดก็เพิงสวดกรรมวาจาสมมุติเคภายในนิมิตเป็นสมานสังวัตสีมาด้วยยติทุติยกรรมวาจาแล้วก็สวดสมมติติจีราวิภูวาสเป็นเสร็จพิธีการสวดถอนนั้นต้องสวดถอนติกีราวีภูวาก่อน แล้วจึงสวดถอ น, น, นสมานสังวาสีมาส่วนการสมมตินั้นท่านให้สมมติสมานสังวาสีมาก่อนแล้วจึงสวดสมมติติจิวลาภิภาวาทับลงไปเนี่ยหมายถึงถอนก็ถอนสิ่งที่อยู่ข้างบนออกก่อนก็คือติจิวลาภิภาวาดแล้วถอนออกแล้วก็ถอนสมานสังวาสอ่ยส่วนการสมมุติก็ต้องสมมติสมานสังวาสก่อนแล้วจึง ส, สมมุติติจิวลาภิภาวาทับลงไปไม่จึงจะถูกต้องเนี่ยเวลา อถอนเวลาสมมุตินั้นจะถอนอะไรก่อนและถอนอะไรที่หลังเวลาสมมติอยาสมมุติอะไรก่อนและอะไรที่หลังนี่เป็นสิ่งเป็นเป็นข้อสำคัญที่เราจะต้องจดจำให้แม่นยำเลยตรงนี้นี่การสวดถอนและการทักนิมิตนั้นเป็นบุรพ ก, กิจแห่งการผูกพัทสีมาเนะถ้าถามว่าอะไรเป็นกิจเบื้องต้นแห่งการการผูกพัทสีมาเราก็ตอบว่าการสวดถอนการทักนิมิตเป็นบุรพกิจ เป็นกิจหนึ่งต้นแห่งการผูกพัทศีมาการสวดถอนส ม, มุติ อ, อการสวดสมาณาสมาสังวาสและการติจีรบุพวาทนั้นเป็นมัชฉิมกิจแห่งการผูกพัทศีมาหมายว่าการสวดสมมติสมาณาสังวาสศีมาแล้วก็ติจิรบุพวาททั้งสองนั้นเป็นกิจท่ามกลางเป็นมัจฉิมกิจกิจท่ามกลางแห่งการผูกการผูกพัทศีมา ส่วนปัตชิมกิจนั้นท่านกล่าวว่าไม่มีปัตทิสีมาเมื่อสมมติถูกต้องแล้วได้ชื่อว่าสมานสังวาสสีมาซึ่งแปลว่าแดนมีสังวาสเสมอกันภิกูุผู้อยู่ในเขตนี้มีสิทธิ์ในอันที่จะเข้าทโบโชด์ภาวณาและสังฆกรรมอื่นๆร่วมกันได้ทั้งหมดเป็นแดนที่กำหนดหมายความพร้อมเพียงกัน ในการทําสังฆกรรมทุกๆอย่างได้เรียกว่าสังอ่าพัตตสีมานอกจากเรียกว่าพัตตสีมาแล้วยังเรียกว่าสมานสังวาสสีมาได้อีกที่เรียกว่าสมานสังวาสสีมากแ็แปลว่าอ่ามันหมายความว่าแดนมีอ่าสังวาสเสมอกันคือภิกษุผู้อยู่ในเขต น, นั้นเนี่ยมีสิทธิในอันที่จะเข้าร่วมทําสังฆกรรมด้วยกันได้เนี่ยท่านจึงมีชื่อ ออกมาอีกเป็นสมานสังวัสสีมาทีนี้การทักนิมิตร เ, เราจะทักกันอย่างไรและก็คาทักนั้นว่ายังไรและก็เพื่อให้เข้าใจและก็โดยย่อแล้วก็เราไปทบทวนดูในหลักสูตรจริงๆนั้นอย่างไรในทีนี้ก็จะให้คำสวดคาทักโดยย่อเพื่อให้นักศึกษาที่กาลังศึกษาวินัยอยู่ในขณะนี้ได้ ได้จดจําไปโดยย่อ ก, ก่อนคือในทิศ ต, ตะวันออกหรือทิศบูรพานี้ผู้ทักใิมิตนั้นนะใช้ทักคําว่าปุรัตติมายะทิสายะกิงใิมิตรตังซึ่งแปลว่าในทิศ ต, ตะวันออกมีอะไรเป็นิมิตรเนี่ในทิศ ต, ตะวันออกเขียงใต้เราเรียกว่าทิศอาคเน น, นั้นอทักว่าปุรัตติมายะอนุทิสาญากิงใิมิตรตัง แปลว่าในทิศตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรเป็นนิมิตอย่างนี้เอาละครับก็เวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแดดเพื่อนสาธมิกที่ตั้งจิตตั้งใจศึกษาพระวินัยนธรรมชั้นนี้อยู่สวัสดีครับเพื่อนสาธมิก ที่กำลังศึกษาหนักทับเจนเอกทุกรูปอ่วันนี้เราก็มาศึกษาในวิจาพระปินัยต่อซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษามาถึงเอ่อการทักนิมิตสีมาซึ่งเราได้ทักนิมิตในทิศอาคาเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ คำทักว่าภูรติมายะอนุทิสายะกิงนิมิตตังแปลว่าในทิศตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรเป็นนิมิตอาสามทิศใต้ทักว่าทักคีนายะทิสายะกิงนิมิตตังแปลว่าในทิศใต้มีอะไรเป็นนิมิตอาสี่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทักว่าทักคีนายะอนุทิสายะกิงนิมิตตัง แปลว่าในทิศตะวันตกเฉียงใต้มีอะไรเป็นนิมิตห้าทิศตะวันตกทักว่าปัจฉิมายะทิสายะกิ่งนิมิตตังแปลว่าในทิศตะวันตกเอมีอะไรเป็นนิมิตหกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทักว่าปัจฉิมายะอนุทิสายะกิ่งนิมิตตังแปลว่าในทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีอะไรเป็นนิมิต เจ็ดทิศเหนือทักว่าอุตรายะทิศายะกิ่งนิมิตตังแปลว่าในทิศเหนือมีอะไรเป็นนิมิตและทิศแปดคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทักว่าอุตรายะอนุทิศายะกิ่งนิมิตตังแปลว่าในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีอะไรเป็นนิมิตในผู้ตอบ หมายถึงผู้ที่คอยตอบอยู่ด้านนอกเมื่อทักนิมิตทิศใดก็ให้ตอบว่าทิศนั้นมีอะไรเป็ น, นิมิตเช่นหนึ่งท่ อ, อในเช่นว่าศิลาถ้าเป็นหินอย่างนี้ก็ทักว่าปาสานโนพันเตแปลว่าหินเจ้าค่าแต่ถ้าเป็นภูเขาก็ทักว่าปปปโตพันเตแปลว่าภูเขาเจ้าค่าถ้าเป็นป่า ก็ทักว่าว่า น, นังพันเต anything, แปลว่าป่าเจ้าค่ะถ้าเป็นต้นไม้ก็แปลว่ารุกโขพันเตแปลว่าต้นไม้เจ้าค่ะถ้าเป็นหนทางก็ตอบว่ามัดโคพันเตแปลว่าหนทางเจ้าค่ะถ้าเป็นจอมปลวกก็ตอบว่าวัมมิโกพันเตแปลว่าจอมปลวกเจ้าค่ะ ถ้าเป็นน้ําแม่ทมแม่น้ํนาก็ตอบว่านาทีพันเตแปลว่าแม่น้ําเจ้าค่ะถ้าเป็นน้ําก็ตอบว่าอุตรกลางพันเตแปลว่าน้ําเจ้าค่ะเมื่อผู้ตอบได้ตอบว่าทิศนั้นๆมีอะไรเป็นดิมิตนิยกตัวอย่างแต่ที่จริงที่เราใช้ปัจจุบันนั้นมักจะ มีหินอย่างเดียวคือศีลาอย่างเดียวแต่ว่าในวินัยนั้นได้ระบุ อ, อนิมิตแห่งสีมาไว้ถึงแปดชนิดก็นํามากล่าวในที่นี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้เข้าใจเท่านั้นเองแต่หลักปฏิบัติจริงๆเราก็มักจะใช้แต่นิมิต ท, ที่เป็นหินหรือศีลาออซึ่งเรานิยมกัน ท, ทั่วไปเมื่อผู้ตอบได้ตอบว่าทิศนั้นมีอะไรเป็นนิมิตแล้ว ก็ระบุซ้ําอีกครั้งหนึ่งเช่นถ้าเป็นหินระบุซ้ําว่าเอสโปาสาโนพันอาปลาสาโนนิมิตต่างแปลว่าสิลานั่นเป็นนิมิตเมื่อผู้พูดตอบว่ามีอะไรเป็นนิมิตแล้วผู้ทักก็ะระบุซ้ําว่าอ๋อทิศนั้นมีนั้นเป็นนิมิตถ้าเป็นภูเขาก็ระบุซ้ําว่าเอสโปัาพัโตนิมิตต่างแปลว่าภูเขานั่นเป็นนิมิต ถ้าเป็นป่าก็ระบุซ้ำว่าเอตังวะนังนิมิตตังแปลว่าป่านั่นเป็นนิมิตถ้าเป็นต้นไม้ก็ว่าเอโสลุกโคนิมิตตังแปลว่าต้นไม้นั้นเป็นนิมิตถ้าเป็นหนทางก็ระบุว่าเอโสมักโอนิมิตตังแปลว่าหนทางนั้นเป็นนิมิตถ้าเป็นจอมปลวกก็ระบุซ้ำว่าเอโสวัมพิโกนิมิตตัง แปลว่าจอมปลวกนั่นเป็นนิมิตถ้าเป็นแม่น้ำก็ระบุซ้ำว่าเอโซนาทีนิมิตตังแปลว่าแม่น้ำนั่นเป็น น, นิมิตถ้าเป็นน้ำก็ระบุซ้ำว่าเอตงอุตักังนิมิตตังแปลว่าน้ำนั่นเป็นนิมิตอันนี้ก็คือวิธีการเร า, เอาอทักนิมิตและก็มีคำตอบกลับมาและก็ระบุซ้า อีกครั้งหนึ่งจึงจะถือว่าการทักซิมิตนั้นที่ถูกต้องเ่ประโยชน์ของการสมมุติซีมาที่มีการสมมุติซีมาสองชั้นนั้นก็มีประโยชน์ท่านแสดงไว้สามอย่างคือหนึงเขตนิสยัยเขตลาบนั้นแผ่ไปทุดถึงสองของสองอาจรวมเป็นเจ้าของเดียวกันสามสารกรรมทำได้สะดวก ที่มีการสมมติสีมาสองชั้นก็เอ่อฟ้าประโยชน์เอ่อทั้งสามประกาศนี้คือเขตดินสัยเนี่ยจะกว้างไกลออกไปอตลอดเอ่อสีมานั้นหมายถึว่าสีมาใหญ่ถ้าหากว่าเป็นสีมาอาใหญ่ถึงสามยอดตามกําหนดระย่างใหญ่นั้นเขตดินสัยที่เราได้ ถือนิสัยในอุปชายะหรือในอาจารย์ผู้ใดแล้วยังอยู่ในเขตนั้นตราบใดก็ชื่อว่ายังมีนิสัยในอุปชายะในอาจารย์นั้นอยู่เพราะว่ายังอยู่ในสีมาเดียวกันแต่ถ้าหากว่าออกจากเขตนั้นไปแล้วไปอยู่ที่อื่นนิสัยย่อมระงับคือย่อมขาดไปอันนี้ที่ให้สมุิสีมาสองชั้นก็เพื่อให้นิสัยนั้นกว้างไกลออกไปนั่นเอง ส่วนของสงฆ์ที่เกิดขึ้นอาจจะรวมกันได้เป็นของสงฆ์อันเดียวกันและก็สามารถที่จะแจกให้ทั่วถึงเมื่ออยู่ในสีมาเดียวกันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อได้จากที่สมมติสีมาสองชั้นและก็สังฆกรรมทำได้สะดวกอันนี้ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งว่าสีมาสองชั้นนั้นเมื่อภิกษุที่ มีสิทธิในอันที่จะเข้าไปชุมทำสังกรรมนั้นเกิดไม่ไม่สบายหรือเกิดป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดอาภาษอย่างใดอย่างหนึ่ง อ, อไม่สามารถที่จะมาประชุมได้และก็ไม่ได้ให้ฉันทะอย่างนี้ก็ทําได้เพราะว่ามีสีมาสองชั้นชั้นในเป็นขันทศสีมาชั้นนอกเป็นมหาสีมาและก็จะมีสีมนตริกอยู่กลางและก็จะไม่เป็นเหตุให้การทําสังกรรมนั้นเกิดวิบัติเพราะว่าอยู่ ในซีมาแต่และอย่างกันคือทำซังกรรมในขันทสีมาแต่ว่าพิสูจน์นั้นอยู่ในมหาซีมาและก็มีขอบขั้นเขตเอาไว้แล้วนะถ้าหากว่าอยู่นมหาซีมาทั้งหมดโดยไม่มีขันทสีมาการทำซังกรรมก็จะต้องนําฉันทะมาทั้งหมดอถ้าไม่มาก็ต้องนําฉันทะมาหรือมอบฉันทะให้มาจึงจะทําสังกรรมนั้นถูกต้องตามพระวินัยได้อันนี้ก็เป็นเหตุให้การทำซังกรรมนั้นเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อเราผูกสีมาสองชั้น นี้สีมาที่เราผูกนั้นหรือสีมานั้นย่อมมีความวิบัติได้เหมือนกัน เ, เหตุที่จะทำให้สีมาวิบัตินั้นท่านบอกว่ามีอยู่สามประการหนึ่งวิบัติโดยสีมามีนิมิตขาดได้แก่สีมาที่มีนิมิตแนวเดียวคือทักแนวจบอา่าแถวบรรจบไม่ถึงกันสองวิบัติโดยมีฉายาเป็นนิมิต ได้แก่สิมาที่ทําเอาเงาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นนิมิตมีภูเขาเป็นตน้นสาม ว, ออวิบัติโดยหาหนิมิตไม่ได้ได้แก่ไม่ได้กําหนดนิมิตรหรือไม่ได้ทักนิมิตเลยเมื่อมีการสมมุติขึ้นเ อ, อหมายความว่าที่ว่าวิบัติโดยมีนิมิตขาดนั้นก็คือว่าหมายต้องทักนิมิตตามทิศ ต, ต่างๆที่ได้กําหนดนั้นแต่ว่าเมื่อทักไปครบแล้วไม่ทักซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ในนิมิตแรกที่เราทักนั้นถือว่ามีแนวขาดเช่นทักทิศตะวันออกเป็นทิศเบื้องตน้นแล้วก็เวียนขวาไปจนถึงทิศอีสานถ้าหยุดแค่นั้นถือว่ามีแนวขาดเพราะไม่บรรจบนั้นจะต้องมาทักทิศตะวันออกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั้นจึงจะไม่ขาดถ้าไม่ทําอย่างนั้นถือว่านั่นคือมีแนวนิมิตขาดแล้วนะทักไปบรรจบกัน อส่วนที่มีฉายาเป็นนิมิตคือเอาเงาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นนิมิตท่านบอกว่าใช้ไม่ได้เช่นเอาเงาแห่งภูเขาเอาเงาแห่งต้นไม้หรือเอาเงาอันใดอันหนึ่งมาเป็นนิมิตนั้นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าในนิมิตแห่งซิมาแปดอย่างนั้นไม่มีเงาถ้าเอาเงามาเป็นนิมิตก็ถือว่าเป็นซิมาวิบัติทีนี้วิบัติโดยหานิมิตไม่ได้ก็หมายความว่า พูกสีมาขึ้นมาแล้วสมมติสีมาขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้พักนิมิตทิศใ ด, ดทิศหนึ่งเลยอันนี้ก็คือไม่มีนิมิตเลยก็เป็นสีมาวิบัติเหมือนกันอนอกจากวิบัติอย่างอื่นที่ได้เคยกล่าวมาแล้วก็สามอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดวิบัติด้วยสีมาเฉพาะที่เป็นพัตสีมานะวิบัติได้ทีนี้เราก็มา ศึกษาในเรื่องประเภทแห่งอภัตตสีมาอภิษฐอภัตตสีมาก็เป็นแดนอันสงไม่ได้กําหนดไว้ตายตัวกําหนดเอาตามทางบ้านเมืองเขากําหนดไว้หรือว่าบัญญัติอย่ยางอื่นสงมีอํานาจเพียงถือเอาเป็นเขตชุมนุมสงทําสังฆกรรมเท่านั้นอไม่มีสิทธิ์ในอันที่จะถือเอาเป็นเจ้าของอภัตตสีมาแดนที่ไม่ได้ผูกนี้ ท่านจัดประเภทไว้สามหรือสี่คื อ, อที่ว่าสามหรือสี่นั้นก็มีดังนี้หนึ่งคามสีมาหรือที่ขมสีมาได้แก่หมู่บ้านหนึ่งหรือตำบลหนึ่งหรืออำเภอหนึ่งที่เขากำหนดไว้โดยปกติของบ้านเมืองสองสัตตพันตรสีมาได้แก่เขตที่สงกำหนดในป่าอันหาคนตั้งบ้านเรือนไม่ได้ในชั่วเจตพันด อ, ดอนโดยรอบ อพันดรนหนึ่งั้นก็มีอยู่เจ็ดว่าเจ็ดอพันดรก็เท่ากับสี่สิบเก้าวาหมายความว่าโดยรอบจากแนวสง์ออกไปเจ็ดอพันดรหรือสี่สิบเก้าวาสามอุททกุเขกสีมาได้แก่เขตที่กําหนดในน่านน้ําชั่ววักน้ําศาสตร์ของขนปันกลางและสี 4, วิสุงขาวมศรีมาได้แก่เขตที่ได้รับพระราชทานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สมุติเป็นพัตตศีมาอันนี้เป็น อไปตามอัตกถ า, าคามซีมาหรือนิคมซีม า, าที่กล่าวไว้ในอันดับแรกในพระตรีมานีก็หมายถึงเขตหมู่บ้านเขตตำบลหรือเขตอำเภอที่เขากำหนดไว้ตามปกติของบ้านเมืองเนี่ยภิกษุกำหนดเอาที่เช่นนั้นทำสังฆกรรมได้ทำสังฆกรรมได้เช่เราหมู่บ้านที่มีอยู่ประมาณสักสี่ห้าหกหลังคาเรือนหรือ เป็นห้าสิบตั้งคาเรือนก็แล้วแต่ก็กําหนดเอาหมู่บ้านนั้นในที่นั้นแหละเป็นที่ทําสังกกรรมหรือกําหนดเอาตําบลที่ขึ้นหลายหมู่บ้านขึ้นสู่ตําบล น, นั้นก็ทําเป็นสังกกรรมเอาทำสังกกรรมในที่เช่นนั้นก็ได้หรือเอาเขตอาเภอเป็นเขตอาวัตตศีมาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะทําให้การทําสังกกรรมนั้นลําบากอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า ในขณะที่กําลังทําสังกกรรมในหมู่บ้านหรือในตําบล น, นั้นเนี่ยเกิดภิกษุที่มาจากที่อื่นผ่านเข้ามาในหมู่บ้านหรือว่าผ่านเข้ามาในตําบลที่เรากําลังทําสังกกรรมอยู่นั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดการคือเกิดอุปสรรคในการทําสังกกรรมอาจจะเป็นเหตุให้กรรมที่กําลังทําอยู่นั้นเสียไปได้เพราะเข้ามาในเขตสีมาที่กําลังทําอยู่ซึ่งตามหลักแล้วภิกษุที่อยู่ในเขตสีมาจะต้องเข้าประชุมในหัตถบาททั้งสิ้น ถ้าไม่ได้เข้าประชุมในหัตตาบะก็จะต้องให้ฉันทะคือมอบฉันทะให้ภิกษุที่มาประชุมนั้นจึงจะถูกต้องตามพระวินยัยดังนั้นการทําเ อ, อสังฆกรรมในพวกคามมสิมาหรือในคมซิมานั้นก็ก็ต้องดูให้ละเอียดและก็ดูให้รอบคอบว่าจะมีภิกษุอื่นเดินผ่านผ่านเข้ามาหรือไม่อย่างไรก็ลําบากในการทําอยู่เหมือนกันแต่ว่า ในเขตบ้านเขตในคมหรือเขตตำบล น, นั้นย่อมทําสีมาได้เหมือนอย่อมทําสังฆกรรมได้เหมือนกันซึ่งทําในเอสีมาจำเพาะประเภทอาพุทธสีมานีทีนี้ประการที่สองที่ว่าสัตตับพันตราสีมานั้นนหมายถึงเขตที่กําหนดในปา่าซึ่งหาคนตั้งบ้านเรือนไม่ได้เลยเอเมื่อเขตในป่าไม่มีใครตั้งบ้านเรือนนั้น่พระพุทธองค์ท่านก็ทรงอนุญาตให้กําหนดเขตป่านั้นเป็นเป็นสีมาได้ เป็นการกําหนดไม่ใช่เป็นการสมมติด้วยมีการสวดแต่เป็นการกําหนดเอาตามแนวป่าที่เาทางพุทธบัญญัติพุทธานุญาตให้ก็กําหนดโดยเจ็ดอพันธดรโดยรอบจากแนวสงออกไปคือสี่สิบเก้าว่าไปชมพร้อมกันในที่นั้นแล้วนับจากาหัตถบาทนับจากแนวสง์ที่ประชุมออกไปสี่สิบเก้าวาโดยรอบนั่นคือเขตสัตตพันธราศีมาใช้ทําสังฆกรรมได้ แล้วก็เขต49วาโดยรอบจากแนวสงที่ประชุมกันนั้นยังเป็นเขตที่ทรงอนุ ญ, ญาตให้อยู่ปราศ จ, จากไตรจีวรได้ไม่ถือว่าเป็นอบัตินสิสคีอันนี้อันอันนี้ก็เป็นเป็นอภัร์ตสีมาอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็ทำได้เฉพาะในป่าเท่านั้นเองอส่วนอพาร์ตสีมาประเภทที่สมที่ว่าอุนทักกุเขสีมานั้นอันนี้ เป็นเขตที่กำหนดในน่านน้ำช่วงวักน้ำสะอาของโขดปางกลางน่านน้าที่จะทาสังกัากำหนดเป็นทำเป็นอุทากุเกสิมาได้นั้นอันนี้เราก็ต้องดูอีกเหมือนกันว่าน่านน้ำอย่างไรหรื อ, อ, อประเภทใดที่ให้ทำเป็นอุตากุเกสิมาได้ซึ่งท่านแสดงไว้สามอย่างคือหนึ่งแม่น้ำไมายเอาแม่น้ำที่มีกระแสน้ำไหลยอยู่ไม่ใช่แม่น้ำตัน มีแม่น้ําอไม่ขาดแห้งตลอดคือมีน้ําไม่ขาดแห้งตลอดนี่ตลอดฤดูฝนมีน้ําลึกพอที่จะเปียกอันตรปสบศกของหนังพิกซูนีคือเปียกสบงของหนังพิกษุณีผู้ครองเป็นประทศมนทนเดินข้ามอยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้อันนี้ก็เป็นน่านน้าประเภทที่หนึ่งที่ให้ทำํำได้ประเภทที่สองก็คือสมุทรหรือว่าทะเลได้แก่น่านาน้าเข็ม ก็เป็นที่เห็นอยู่โดยทั่วไปคืออ่าทะเลกว้างใหญ่ไพศาลนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นอุทกุเขตสีมาอได้เหมือนกันสามชาติสะชาติสาได้แก่สิ่งที่มีน้ําขังอที่ที่มีน้ําขังอันเป็นเองโดยธรรมชาติซึ่งเรียกว่าบึงบ้างหนองบ้างทะเลสาบบ้างออย่างนี้ก็ทําได้าจะทําสังคกรรมในน่านาน้าทั้งสามอย่าง ในทั้งสามอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะทำบนเรือบนแพรหรือผูกกับหลักในน้าหรือทอดสมอก็ได้ให้ห่างจากตลิง่งช่ววักน้ำสตร์ของคนที่มีกําลังปานกลางาจะทำบนร้านที่ปลูกขึ้นในน้ำย่อมได้ทางนั้นห้ามไม่ให้ทำบนเรือบนแพที่กําลังลอยกําลังเดินอยู่หรือมีเชือกผูกไว้กับหลักบนต้นไม้ไม้กับหลักหรือต้นไม้บนตลิ่งเนี่ย อันนี้ไม่ได้ลเลนน้ําที่มีอยู่ทั่วไปที่เอทําเป็นอุทากุเก็สีมานั้นไม่ได้หมายความน้ําทั้งหมดนั้นเป็นอุทาภูเก็สีมาทั้งสิน้นแต่ท่านกําหนดเอาเฉพาะชั่ววักน้ําสะอาดของคนปั่นกลางเมื่อจะทําสังฆกรรมในที่อน้ําทะเลหรือสระหรือว่าแม่น้ําที่กําลังไหลยอยู่ก็กําหนดเอาชั่ววักน้าําสะอาดจะ ผูกหลักในปักหลักในน้ํานั้นหรือจะผูกเรือนในน้ํานั้นก็ทําได้หรือจะทอดสมอในเรือก็ทําได้แต่ว่าในขณะที่กําลังลอยอยู่เฉยๆไม่ได้ผูกกับอะไรหรือกําลังเรือกําลังแล่นอยู่ก็อันนี้ตานห้ามหรือว่าไปเออเาเชือกผูกไว้บนตะลิงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะไปข้ามเกี่ยวกับคามมซิมาซึ่งอยู่ข้างบนอตานห้าม นั้นการทําสังฆกรรมในน้ําก็ทําได้เขาเรียกว่าโบดน้ําอ่าที่เราเรียกกันติดปากในปัจจุบันว่าโบดน้ําทีนี้จะทําในหาดนั้นเนี่ยจะจัดเป็นอุทโกุเกสีมานได้หรือไม่นี้ท่านบอกว่าหาดที่จะกําหนดเอาโดยฐานเป็นอุทโกุเกสีมานได้นั้นอ่ต้องมีลักษณะดังนี้คือหนึ่งหาดนะหาดนั้นน้ํายังท่วมถึงในกระดูน้ำสองยังเป็นสาธารณะไม่เปิดให้ใครจับจอง แต่ทหารนั้นน้ํายังท่วมอยู่ตลอดในฤดูฝนหรือก็เป็นที่สาธารณะยังไม่มีใครจับจองอ่าก็ทําเป็นฐานอุทาหุเก็บสีมาได้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นของสาธารณะคือเป็นของส่วนบุคคลหรือของผู้ใดผู้หนึ่งนั้นอันนี้จะทําเป็นอุทาหุเก็บสีมาไม่ได้ถ้าเป็นหาดเช่นนั้นน <S <S แล้วก็สีมาอีกประการหนึ่งก็คืออวิสูงขามาสีมา ซึ่งเป็นพวกประเทภทอัปพัสสีมาก็ได้แก่ที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผูกยังไม่ได้ทําพิธีผูกเป็นพัตสีมายังไม่ได้ทําพิธีสมมติเป็นภัตสีมาตระับใดที่ยังไม่ได้ผูกหรือได้ยังไม่ได้ทําพิธีสมมุติเป็นพัตสีมาก็ยังจัดอยู่ในพวกอัปพัสสีมาแต่ใช้ทําสังฆ ก, กรรมทุกอย่างได้เหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะ อสมมติเป็นติยูราวิบุวาทลงไปได้แล้วก็ที่เช่นดังที่กล่าวนั้นก็เออแม้อาสามารถทางรัฐบาลหรือทางราชการอาจจะเรียกกลับคืนมาก็ได้เหมือนกันคือยังไม่มั่นคงดีเท่าที่ควรเอ่าฉะนั้นก็วิสุงคามัสีมานั้นยังจัดเป็นจ้าพวกอปัสร์สีมาอยู่แต่เมื่อได้ผูกเป็นอภัสร์สีมาแล้วก็จึงจะเป็นพระอัสรีมาต่อไปเนีทีนี้สีมาอาที่ เป็นเหตุให้เกิดการสังกระคือคาบเกี่ยวกันนั้นเป็นเหตุให้เป็นสีมาวิบัติเหมือนกันสีมาสังกระอย่างไรเป็นอย่างไรชึงเรียกว่าสีมาสังกระท่านบอกว่าการสมมุติสีมาคาบเกี่ยวกับอ่าการจัดเป็นสีมาสังกระเช่นสมมุติสีมาใหม่คาบเกี่ยวกับสีมาเดิมแต่สงไม่รู้ว่าเป็นสีมาทั้งไม่ได้ทำการสวดถอนก่อน อ่าสีมาใหม่ย่อมวิบัติใช้ไม่ได้มูลเหตุแห่งสีมาสังกระนั้นท่านกล่าวไว้ดังนี้นหนึ่งสมมุติสีมาคาบเกี่ยวได้แก่สมมติสีมาใหม่คาบเกี่ยวกับสีมาเดิมโดยไม่ได้สวดถอนเสียก่อนสองวัตถุพาดพิงถึงกันในระหว่างสีมาเช่นต้นไม้อันขึ้นที่สีมาแห่งหนึ่งพาดพิงออกไปยังลงถึงพื้นแห่งสีมาอีกแห่งหนึ่งท่านว่าเป็นสีมาสังกระเหมือนกัน อข้อนี้เออสมเร็จพระมหาสํานาเจ้าผู้รจนาวินัยมุกอันนี้ท่านบอกว่าอ่าท่านไม่เห็นด้วยคือธุกรกรมไม่ใช่กรหอกก แ, แต่ท่านไปอย่างนั้นสามสองสองหมู่ทำธุรกรรมในคราวเดียวกันต้องทําให้ห่างกันโดยที่สุดเว้นอพันธ์ดรนหนึ่งหรืออุทกุเขตหนึ่งในระหว่างแห่งอพันธ์ดอนอหรืออุทกุเขตอันเป็นเขตสองฝ่ายนั้นแต่ไม่เว้นระหว่างแนวทั้งสอง ตามกำหนดก็เป็นเหตุให้เกิดสังกัะได้เหมือนกันสี่ทำสังกรรมในน่านนะ้ำบนเรือบนแพที่ผูกกับหลักที่ปักไว้บนตะลิง่งหรือทำในที่ไม่กำหนดตามอุทกุเตก็เป็นสีมาสังกระคือวิบัติใช้ไม่ได้นั่นเองอความแตกต่างระหว่างพัตตสีมากับอัตมาภัตสีมา อภัตตสีมาหรือภัตตสีมาทั้งสอ ง, อ ย, งอย่างนั้นมีความแตกต่างกันดังนี้อภัตตสีมาภัตตสีมาที่สมมุติแล้วสงมีสิทธิเต็มที่ทั้งไม่ละวัตถุไปเองนอกจากสงพร้อมใจกันประกาศสวดถอนและสงมีสิทธทิในที่ที่จะสมมติติจู ร, ราพิวาสซ้ำลงไปได้อีกด้วยส่วนอภัตตสีมา ทรงมีอำนาจเพียงถือเอาเป็นเขตชุมนุมทำสังฆกรรมเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดเอาเป็นเจ้าของและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมมติติยราพิพัฒนว่ า, วาได้นี่คือความแตกต่างกันในเรื่องเ อ, อของพัตสีมาและอภัตสีมานี่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเสีมามาในการที่ยี่สิบสี่นี้ก็คงพอจะเข้าใจ ตามสมควรส่วนเกี่ยวกับเรื่องอะละเอียดต่างๆนั้นเราก็จะต้องทบทวนละก็อ่านหนังสือให้มากขึ้นในเมื่ออที่ตรงไหนอย่างไรที่มันอาจจะขาดคลองขาดคล้องหรือเกิดความสงสัยเราก็ไปทบทวนดูในที่นั้นตามสมควรก็จะให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้เราก็มาศึกษาต่อในการที่ยี่สิบห้า กัรที่ยี่สิบห้านั้นว่าด้วยการสมมุติเจ้าหน้าที่ทําการส่งผู้หรลึภิกษุผู้ควรเลือกเป็นเจ้าหน้าที่นั้นต้องประกอบด้วยองคูนห้าประการคือหนึ่งไม่ลำเอียงไม่ถึงความลำเอียงด้วยความชอบพอสองไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชังสามไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย สีไม่ถึงความลําเอียงเพราะความกลัวห้าเข้าใจในการทําหน้าที่นั้นๆอข้อที่ห้านี้เป็นองค์เฉพาะเฉพาะเรื่องอส่วนสี่ข้อข้างต้นนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็ต้องดูเออ่ต้องให้ได้คุณสมบัติตัดหน้าทั้งสี่แต่ว่าอข้อที่ห้านั้นต้องเฉพาะเรื่องคือรู้เฉพาะเรื่องอ่าจึงจะให้ทําหน้าที่นั้นๆนั้น อาเมื่อเลือกได้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอย่างดังที่ได้กล่าวมานี้แล้วจะให้ทาหน้าที่อะไรก็พึงขอให้เธอรับตกลงก่อนแล้วพึงสมมติในสงให้เป็นเจ้าหน้าที่อย่างนั้นด้วยยติทุติยกรร ม, มวาจาการภิกษุนั้นได้รับสมมุติจากสงแล้วย่อมเป็นอิสระในการทาหน้าที่อย่างนั้นให้ในานามของสงนั้นก็ ต้องสมมุติกันด้วยยติทุติยกรรมวาจาอประชุมกันในศีมาอแล้วก็เอตั้งยติคําประเดียงสงและก็สวดลูกสาวนะอีกหนึ่งครั้งเพื่อประกาศความตกลงกันว่าจะให้พิสูรลูปนี้ทําหน้าที่อะไรเกี่ยวกับในานามของสงนี่ประเภทแห่งเจ้าอาธิการหรือเจ้าหน้าที่ทําการสงนั้นท่านกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่า เจหน้าที่อันสง์พึงสมมุติโดยพุทธานุญาตนั้นมีอยู่ห้าคือหนึ่งเจ้าอธิการแห่งจีวรสองเจ้าอธิการแห่งอาหารสามเจ้าอธิการแห่งเสนาสนะสี่เจ้าอธิการแห่งอารามห้าเจ้าอธิการแห่งคลังมีห้าด้วยกันที่เป็นเจ้าอธิการคือเจ้าอธิการแห่งจีวรเจ้าอธิการแห่งอาหารเจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ เจ้าดิการแห่งอารามเจ้าดิการแห่งกลังทั้งห้าอย่างนี้เพื่อนสาตามิกที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นเอกนี้ก็จะต้องท่องให้ขึ้นใจเหมือนกัน เ, เจ้าอธิการนี้ไม่ได้หมายถึงเจ้าคณะตาบลตามที่พระราชบัญญัติคณะ 2,255 กำหนดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นเป็นเป็นหน้าที่เกี่ยวกับาการปกครองนะ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แต่ว่าเจ้าอาธิการที่ได้กล่าวในพระวินัยนี้หมายถึงผู้ที่ทําหน้าที่แทนสงในเรื่องราวต่างๆเรื่องอาหารเรื่องกีวรเรื่องเสนาสนะเรื่องอารามเรื่องคลงังก็ให้ชื่อว่าเจ้าหน้าที่แห่งนั้นๆไปนะฉะนั้นก็เจ้าอาธิการต่างๆเช่นเจ้าอธิการแห่งกีวรเจ้าอธิการแห่งอาหารเจ้าอธิการแห่งเสนาสนะเนะจะ้าอธิการแห่งอารามเจ้าอธิการแห่งคลงังก็มีหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ออกชื่อเจนจีวรก็มีหน้าที่เกี่ยวกับจีวรนอาหารก็มีหน้าที่เกี่ยวกับอาหารเสนาสนะก็มีหน้าที่เกี่ยวกับเสนาสนะอารามก็เกี่ยวกับหน้าที่ในอารามส่วนเครื่องของคลังก็เกี่ยวหน้าที่กับคขังก็มีเจ้าหน้าที่ในอันที่จะต้องทําหน้าที่เหล่านั้นให้สะดวกสบายและก็ให้งานของส่งนั้นดําเนินไปในทางที่เรียบร้อยดียิ่งขึ้นไปนี ไอ่งทเจ้าอธิการที่ไอ้เจ้า อ, า ธ, าาาอาธิการแห่งจีวร น, นั้นอ่อะจะตั้งได้สักอย่างไรท่าน mm hmm. บอกว่าเจ้าเจ้าอธิการแห่งจีวร น, นั้นแบ่งออกเป็นสามประเภทคือหนึ่งจีวรปฏิคาะเป็นผู้รับจีวรคือภิกษุผู้ได้รับสมมุติเป็นเจ้าหน้าที่นี้ก็พึงรู้จักประเภทแห่งจีวรที่ควรรับและไม่ควรรับจีวร อ, อันทายกถวายแก่สง์ อันตนมีหน้าที่อุปถากอยู่เป็นของควรรับจีวรอันไดยกถวายแก่สงอันตนไม่ได้มีหน้าที่อุปถากและถวายเป็นบุคลิกไม่ควรรับจีวรประเภทใดมีจํานวนเท่าไหร่รับไว้เท่าไหร่ก็ดีไม่ได้รับไว้เท่าไหร่ก็ดีก็ควรรู้ไว้ด้วยเหมือนกันนีนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวเกี่ยวกีวร ปฏิกาหานี้จะต้องรู้จักหน้าที่ของตนศึกษาในหน้าที่ของตนเมื่อศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของตนที่จะพึงปฏิบัติหรือจะปฏิบัติอย่างไรเข้าใจในหน้าที่ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่อันนั้นให้ดําเนินไปด้วยดีและก็เกิดความเรียบร้อยในหมู่คณะของสงที่เราอยู่ร่วมกันเะครับวันนี้เวลาของเราก็ ได้หมดลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิกทุกๆรูปที่ได้ตัง้งคิดตั้งใจศึกษ า, าเกี่ยวกับพระวินัยนี้ก็ขอให้มีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทิน